มงคลชีวิตมงคลที่30สนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมสากดฉาเอตามังคลมุตตมังการสนทนาชื่อว่าธรรมสากดาิฉา การพูดคุยกันเรื่องพระวินัยบ้างพระสูตรหรือพระอภิธรรมบ้างเพื่อไม่ให้จิตหดหูฟุ้งซ่านหรือสงสัยชื่อว่าสนทนาธรรมตามการเรื่องที่ควรสนทนากัน 1. เรื่องความมักน้อย หรือเป็นไปเพื่อมักน้อยไม่เอารัดเอาเปรียบ 2. เรื่องความสันโดษหรือเป็นไปเพื่อความไม่ฟุงเฟอ้อ 3. เรื่องความสงบสงัดหรือเป็นไปเพื่อความสงัดกายและใจ 4. เรื่องการไม่คลุกครีหรือเป็นไปเพื่อความไม่คลุกครีจนเกิดโทษ 5. เรื่องการปรารบความเพียรหรือเป็นไปเพื่อให้มุ่งมั่นไม่เกียจคร้าน 6. กเรื่องศีลหรือเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนเจ็ดเรื่องสมาธิหรือเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตแปเรื่องปัญญาหรือเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต เรื่องวิมุตติหรือเป็นไปเพื่อความพ้นจากกิเลสและความทุกข์ 10. เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติหรือเป็นไปเพื่อความสนใจเข้าใจในภาวะที่พ้นจากกิเลสและทุกข์การสนทนาทำตามการจะเป็นมงคลเพราะ 1. จิตผ่องใสาย 2. ขจัดข้อสงสัยได้ 3. เกิดความเห็นถูกต้อง 4. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5. ได้แนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง